ประสบการ์คือการรู้การมองเห็นอาจจะมาจากคนเดียวหรือว่าหลายคนนะคะการที่ได้มาเห็นแล้วนำมาเล่ามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังบางคนเล่าสนุกแถมระทึกขวัญสันประสาทอีกด้วยค่ะบางคนเล่าเอาบรรยากาศในบริเวณนั้นมาเสริมเข้าไปด้วยผิดกับบางคนนะคะในเหตุการณ์เดียวกันมาเล่าเอาแต่เนื้อเนื้อที่เห็นมาไม่เล่าถึงบรรยากาศก็ไม่น่ากลัวนะคะคนฟังก็เช่นกันค่ะ บางคนนี่ชอบให้เล่าผสมผสานจินตนาการไปด้วยสนุกดีแต่ว่าบางคนชอบฟังการเล่าให้ได้ใจความเท่านั้นพอไม่ต้องการให้เสริมบรรยากาศหรือว่าบางคนเนะะี่ยชอบอ่านนิยายเพราะว่ามันสนุกตื่นเต้นขนหวนลุกได้ตลอดทั้งเรื่องนักเขียนกับนักประพันธ์ก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะประสบการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะ ที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่สิ่งที่อาจจะไม่ตื่นเต้นขนหัวลุกแต่ว่าท่านได้สาระมาเก็บไว้ในสมองอันเป็นคุณค่าแก่การฟังที่สุดค่ะกับเรื่องพระเจอผีเปรดห่วที่นะคะคือประสบการณ์ที่พระอาจารย์ทองพูลสุริกาโมแห่งวัดสามัคคีอุปถัมภ์อําเภอบึงการจังหวัดหนองคายปัจจุบันนี้ก็จะขึ้นเป็นจังหวัดบึงการไปแล้วเรียบร้อยนะคะท่านได้เมตตาเล่าให้ญาติโยมที่เป็นญาติธรรมของท่าน ได้ฟังค่ะเมื่อครั้งที่ท่านท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามป่าเขาที่อยู่ห่างไกลชุมชนเพื่อแสวงหาความเงียบสงัดในการเจริญกรรมฐานอันเป็นวัดปฏิบัติของท่านหลังจากออกพรรษาในทุกๆปีนะคะย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2500ันับมาถึงวันนี้นะคะก็ หกสิปีแล้วนะคะในห้วงเวลานั้นป่ายังอุดมสมบูรณ์รกเรื้อไปด้วยพันไม้ต่างๆแล้วก็ต้นไม้ขนาดใหญ่นี่เรียกว่าขึ้นเรียงรายจนดูอึมครึมน่ากลัวค่ะแน่ละ่ะในป่าก็ย่อมมีสัตว์ป่าถูกใช่ไหมคะแล้วก็ความลึกลับของป่าที่เราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักอีกมากมาย พระป่าหรือพระทุดงกรรมฐานท่านจึงเจออะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นก่อนๆเล่าสืบสารกันมาให้ลูกหลานได้ฟังเท่านั้นแต่ว่าพระอาจารย์ทองภูลในปีนั้นนะคะท่านได้เที่ยวทุดงกรรมฐานไปถึงภูเขาดินแห่งหนึ่งพร้อมกับสา ม, มนเณรที่คอยปรณนิบัติตามมาด้วยองค์หนึ่งภูเขาดินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร พระอาจารย์ทองพูลเลือกเอาภูดินแห่งนี้นะคะเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นที่สงบแล้วก็มีความเงียบดีท่านเห็นภูเขาดินในสภาพตอนกลางวันมีความร่มรื่นน่าอยู่และก็มีความเหมาะสมสำหรับสมนะธรรมทั้งหลายท่านก็เลยตัดสินใจปักกรดเพื่อเจรินภาวนาอยู่ระยะหนึ่งค่ะตอนนั้น บึงการเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคายการคมนาคมระหว่างจังหวัดไปถึงอำเภอหอ่างจ่าหากจะไปทางบกก็ลำบากสักหน่อยหนึ่งและก็ใช้เวลาในการเดินทางนานพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าไปทางน้ำ จะสะดวกกว่าเพราะว่าตัวจังหวัดหนองคายเองก็ติดกับแม่น้ําโขงอําเภอบึงการก็ติดกับแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันแต่ว่าบึงการเนี่ยจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าก็ยังเป็นป่าที่งดงามไปด้วยพันุไม้หลายชนิดบนต้นไม้แทบจะพูดเลยนะคะว่าทุกต้นมีสัตว์อาศาัยอยู่ไม่นกก็กระรอกกระแตหรือว่าหนูบาง บนพื้นดินนะคะก็แน่นอนค่ะไม่พ้นพวกสัตว์สีเท้าไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางเนื้อทรายละมั่งหมูป่าช้างป่าสิงสาราสัตว์ต่างๆนะคะก็จะออกมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เป็นประจำสัตว์ป่าส่วนมากจะเป็นมิตรกับพระธุดงกรรมฐานนะเพราะว่าพวกมันก็อาจจะสัมผัส มีสัมผัสพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือเมื่อใดที่เห็นคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองมาปรากกลดในป่ามันจะเข้าไปหาหรือไม่ก็อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆนะคะก็คงจะคิดว่ามีความปลอดภยัยป่าในบริเวณที่เป็นภูดินก็เช่นกันค่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายจะมีก็บางช่วงบางตอนเท่านั้นที่เป็นผืนหญ้าแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นแสมเป็นช่วงๆเรียกกันว่าป่าโปรง่ง สิ่งที่หลวงพ่อท่านแปลกใจก็คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครนะคะที่จะกล้าเข้าไปตัดไม้มาทำฟืนหรือว่าเป็นประโยชน์อย่างอื่นแต่ว่าก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนะคะสัตว์ป่าที่นี่ถึงชุกชุมก็เพราะว่าการที่คนไม่กล้าเข้าไปตัดไม้แล้วก็ล่าสัตว์บริเวณภูดินเขาลูกนี้ ชาวบ้านลือกันว่าเพราะว่าเคยมีคนในหมู่บ้านเนี่ยคือเข้าไปตัดไม้แล้วก็ล่าสัตว์ในอดีตพอกลับออกมาเกิดป่วยกระทันหันและก็เสียชีวิตทุกรายทำให้ชาวบ้านกลัวอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้กันมากค่ะ ตอนที่พระอาจารย์จะเข้าไปบนเขาดินลูกนี้ชาวบ้านก็เคยทักท้วงและก็ขอร้องให้ท่านเนี่ยอย่าไปที่เขาดินลูกนี้เลยเพราะว่ามันอันตรายแล้วยังมีข่าวเล่ากันมาว่าเคยมีพระธุดงค์เข้าไปเจริญกรรมาฐานในภูเขาดินลูกนี้แล้วท่านหายสาบสูญไปพระอาจารย์ทองพูนนะคะเมื่อท่านรู้ท่านก็ไม่ได้ว่าการะไรพร้อมกับขอบใจชาวบ้านที่เป็นห่วงในความปลอดภัยของท่าน แต่พระปฏิบัตินะคะย่อมไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ดีเสอีกท่านจะได้เปิดดวงตาความเร้นลับที่อยู่ในป่าได้เห็นดวงตาธรรมจะได้กลับตัวกลับใจให้หลุดพ้นจากบ่วงกิเลสมารไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าในอบายภูมิที่หลงวนเวียนที่เป็นเช่นนี้อยู่นะคะในค่ำคืนหนึ่งค่ะพระอาจารย์ทองพูลท่านได้เดินจงกรมเพื่อเจริญสมาธิอยู่หน้าโกรธค่ะ ซึ่งพอจะมีที่ว่างให้เดินอยู่บ้างพอสมควรในขณะนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความสลัวเรือนรางก็คือพอจะมองเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักสิ่งที่มาปรากฏตัวนั้นก็คือเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวหนึ่งค่ะมันเดินออกมาจากป่าละเมาะไม้ไม่ห่างจากทางเดินจงกรมของพระอาจารย์เท่าไหร่นัก กา ร, รเผชิญหน้ากับเสือโคร่งเจ้าป่าเช่นนี้พระอาจารย์ทองพูลแม้ท่านจะผ่านป่ามาหลายป่าแล้วก็ตามแต่ว่าจิตของท่านก็หวั่นอยู่บ้างเพราะว่าเสือเนี่ยมันจะเป็นสัตว์กินเนื้อเกิดว่ามันหิวขึ้นมามันอาจจะคาบไปเป็นอาหารของมันก็ได้การมาปรากฏตัวของมันตามสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปนั้นหมายถึงการล่าเริ่มต้นขึ้นแล้วที่สาคัญท่านยังเป็นห่วงสมเนเนที่ติดตามมาด้วย ความหวั่นไหวในจิตผสมกับความกลัวมันผุดขึ้นมาจนแทบจะคุมสติไว้ไม่ไหวแล้วท่านก็พยายามห้ามจิตไม่ให้กลัวนะคะคือท่านจึงหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกันนั้นก็ได้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปถึงเจ้าป่าเจ้าเขาก็คือเสือลายพาดกรอนตัวนี้แหละพร้อมกับบอกกล่าวมันให้เข้าใจาบอกว่าเรามาเพื่อกระทาความเพียรวังให้ตัดขาดจากกงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่พกติดตามมาตั้งแต่เกิด เรามาที่นี่มิได้มีเจตนาจะมาเบียดเบียนผู้ใดาหากเจ้ากับเรามีกรรมผูกพันต่อกันในอดีตชาติก็จงมาเอาชีวิตข้าไปเถิดจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันในชาตินี้แต่ถ้าเจ้ากับเราไม่มีเวไ ม, ม, วไ ม, มว่มีกรรมอะไรต่อกันเราขอให้ท่านเจ้าปาาหลีกไปเสียท่านจงไปตามทางของท่านและเราก็จะดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของเราท่านไปเถิดอย่าได้มาเสียเวลาเลย กล่าวจบพระอาจารย์ทองพูลท่านก็หลับตารอวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตอันสงบพร้อมกันนั้นนะคะท่านก็ได้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆและคิดว่าหากเราต้องตายก็ขอให้ตายไปพร้อมกับพุโทโธนี้เถิดท่านหลับตาท่องพุโทโธอยู่เป็นเวลานานนะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความมืดมันได้กลืนพื้นที่ทั้งหมดในป่านั้นหายไปค่ะ เมื่อเห็นว่าเวลานานพอสมควรแต่ยังไม่มีอะไรท่านจึงลืมตาขึ้นค่ะปรากฏว่าเจ้าป่าอย่างเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่นั้นมันได้หายไปแล้วมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แหนที่มันจะเข้าไปทำร้ายหรือว่าค่าพระอาจารย์ทองพูลไปเป็นเหยื่อมันอาจจะเป็นเพราะว่าพระอาจารย์ทองพูลเนี่ยกับเสือตัวนั้นไม่มีกรรมผูกพันต่อกันมามันก็เลยหนีไปนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเป็นเทพพยายดาจำแลงแปลงกายมาทดสอบภาวะจิตแล้วก็บารมีธรรมก็ยากจะคาดเดาได้เหมือนกันเมื่อเสือหายไปกับความมืดแล้วพระอาจารย์ทองพูลก็เดินกรรมาฐานต่อ เห็นว่าได้เวลาสมควรแล้วจึงเข้าไปเจริญภาวนาในกดต่อไปเมื่อจิตยังไม่รวมเข้าสู่สมาธิท่านก็ได้ยินเสียงคนเดินมาแต่ไกลค่ะเสียงที่เดินมานั้นหยุดลงบนพงหญ้าแล้วก็เสียงเดินหนักแน่นผิดปกติจึงประมาณว่าเจ้าของเสียงย่าเท้านั้นเนี่ยคงจะมีรูปร่างใหญ่โตไม่ใช่คนอย่างแน่นอนและมันเสียงอะไรกันล่ะ และอาจารย์ทองผูลคาดการไว้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ชอบมาพากนแน่เพราะว่าเสียงที่ได้ยินมันเหมือนเสียงเดินของคนหรือว่าสัตว์ป่าประเภทใดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แต่เมื่อเสียงเท้ามาหยุดกึกอยู่หน้ากรดของท่านจึงแหวกกรดออกไปดูสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ห่างจากกรดประมาณ 3-4 วาท่ามกลางความสลัวเลือนรางร่างนั้นมีความสูงใหญ่ผิดปกติไปจากคนธรรมดากว่าเท่าตัวในมือเนี่ยถือหอกยาวท่วมหัวแต่มองไม่เห็นหน้าตาที่ชัดเจนนักนะคะเท่าที่สังเกตดูจากร่างกายอันสูงใหญ่ของมันสั่นระริกกิริยาเช่นนี้แสดงถึงความโกรดกรี้วถึงที่สุด หาเช่ความกลัวอย่างแน่นอนพระอาจารย์ทองพูนเมื่อมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่คนแต่ว่ามันเป็นเปรตท่านก็เลยถามมันว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าจึงมาปรากฏตัวที่นี่ร่างที่ปรากฏตัวอยู่ข้างหน้านะคะก็ยังนิ่งเงียบไม่ยอมไหวตีงอยู่รู่หนึ่งจากนั้นก็ก้าวเข้ามาอีก2ก้าวแทบจะเอื้อมมือถึงพระอาจารย์ทองพูลแล้วก็ก่าวออกมาด้วยเสียงแหบๆตะกุกตะกะักแต่ว่าเสียงนั้นน่ากลัวมาก ออกมาพูดประมาณว่าข้าต้องการให้ท่านออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ของข้าข้าอาศัยอยู่นานมากมนุษย์หน้าไหนก็ไม่อยู่ที่นี่และอยู่ที่นี่ไม่ได้บอกก่อนว่าข้าไม่ได้ขู่แต่ข้าเอาจริงในขณะนั้นที่พูดนะคะมันมีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งออกจากปากของมันอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ทองพูนท่านพอจะประเมินได้นะคะว่าอามนุษย์ตนนี้เนี่ยมันบังอาจมาสแสดงอิทธิพลในฐานนะเจ้าของถิ่น มันคงเป็นเปรตอสุรกายที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในป่ากิเลสแห่งนี้จนลืมการไปผุดไปเกิดท่านจึงได้กล่าวให้เปรตอสูรกายได้มองเห็นแสงธรรมบอกว่าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากวัฏะสงสารหาได้มาให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนไม่จากนั้นได้เทศให้เปรตอสุรกายฟังพระธรรมอันควรยึดถือและนำไปปฏิบัติชี้ให้เห็นถึงความผิดและโทษที่จะตามมากับสิ่งที่ได้รับ รวมไปถึงเรื่องของบุญบาปและกรรมชั่วกรรมดีสิ่งใดควรประพฤติและนำมาปฏิบัติสิ่งใดควรละเว้นการแสดงธรรมของพระอาจารย์ทองพูลทำให้จิตของอสุรกายที่กำลังมืดบอดผ่อนคลายลงและก็ยอมเล่าถึงปุมหลังของตัวเองให้พระอาจารย์ฟังนะคะว่า ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นทหารมาก่อนค่ะแล้วก็ถูกฟันแล้วก็แทงจนพุนเดินสมซานมาตายนะที่แห่งนี้เมื่อตายไปแล้วจิตก็ยังยึดมั่นอยู่กับความแค้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่มีแต่ความเร่าร้อนในไฟโทสะเผารนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้เรื่องของพระสงฆ์และข้อธรรมใดๆเมื่อเล่าเรื่องราวของมันให้ฟังแล้วมันก็หายตัวไปกับความมืดค่ะ พระอาจารย์ทองพูนท่านได้นั่งสมาธิและก็แผ่เมตตาให้อสุรกายตนนั้นพอประมาณแล้วนะคะท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาในการบำเพ็ญเพียรต่อไปคืนนั้นไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิของท่านอีกเลยพระอาจารย์ทองพูนเองท่านเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาม า, มากมายและเคยพบเห็นมาบ่อยๆ มันเป็นจิตวิญญาณที่ยังยึดติดอยู่ในความมืดมัวของอารมณ์จิตก่อนชีวิตจะดับเมื่อตายแล้วกลายเป็นสัมภเวสีจึงไม่ยอมทิ้งสํานึกสุดท้ายที่เต็มเปี่ยมด้วยอกุศลละมูลก็คือโทสะจริตอันเกลี้ยกระดางแรงกล้าหลงคิดว่าสถานที่แห่งนี้ซึ่งตนอาศัยอยู่เป็นสิทธิ์ของตัวเองผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาถือว่าเป็นศัตรูจะมายื้อแย่งจึงกระทําเขาด้วยฤทธิ์อํานาจของพูดผีพระทุดดวงกรรมฐานบางรูปนะคะ ที่เข้ามาปฏิบัติ บ, ตบนภูเขาดินนี้ได้หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเนื่องจากมีความหวั่นไหวแต่ไม่คิดหาทางแก้ไขลืมไปว่าตนเองคือสิทธิพระตถาคตเพื่อนำดวงธรรมอันประเสริฐไปช่วยคนและพูดผีวิญญาณให้ผลจากความมืดบอดของกิเลสได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าท่านเหล่านั้นกลับกลัวมันจึงโดนมันเล่นงานเอาหนีออกจากเขาหายสาบสูญไปดีไม่ดีกลายเป็นบ้า เมื่อครั้งที่หลวงพ่อจรัญจิตตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันอ พ, อพรมบุรีจัังหดสิงห์บุรีออกเที่ยวทุดงกรรมาฐานในป่าลึกห่างไกลความเจริญถึงจะมีหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านของชาวป่าที่ยึดอาชีพทำไร่พอได้กินอิ่มปากอิ่มท้องตามอัตภาพพวกเขาไม่ได้หวังความร่ำรวยและก็บ้านใหญ่โตหรูหราแต่ว่าในแต่ละวันนะคะเขาก็จะอาศัยการล่าสัตว์มาปรุงเป็นอาหารเป็นวัตจักสืบสารกันมาหลายอายุคน บางชุมชนในป่าลึกยังไม่รู้เลยนะคะว่าพระคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรกับพวกเขาแน่นอนค่ะว่าเมื่อชีวิตของพวกเขาห่างพระห่างวัดก็เหมือนห่างจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนชาวโลกให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษความชั่วและความดีเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรและผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร ในเรื่องของพูดผีวิญญาณนะคะพวกชาวบ้านนี่เขาเชื่อสนิทใจว่ามีค่ะเพราะว่าพวกชาวบ้านป่าในดงลึกเนี่ยเขาจะมักบูชาผีบ้านผีเรือนอยู่แล้วความเป็นอยู่ส่วนหนึ่งพวกนั้นพวกเขาเชื่อนะคะว่าผีจะเป็นที่พึ่งโดนบันดาลอำนวยผลประโยชน์มาให้นี่คือความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใจของชาวป่ามาเป็นเวลาช้านาน หลวงพ่อจรันหรือว่าพระราชาสุทธิยาณมงคลท่านได้เมตตาเล่าเรื่องราวที่ท่านได้พบมาในอดีตนะคะให้บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงของท่านฟังเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของโลภะโทสะโมหะที่ปุถุชนทั้งหลายยังพากันเกลือกกล้วอยู่มากบ้างน้อยบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง ท่านเล่าให้ฟังนะคะเพื่อเกิดสตินํากลับไปครุ่นคิดพิจารณาตามแต่ปัญญาของแต่ละคนโดยเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชนรุ่นใหม่จึงกราบนมัสการขออนุญาตนํามาเปิดเผยเพื่อสืบทอดต่อไปค่ะหลวงพ่อจรันนะคะท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้เดินทุดงไปพบกับพระอาจารย์ของท่านในป่าลึกเพื่อจเจริญธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าท่านไม่เปิดเผยนามผู้เป็นพระอาจารย์ของท่าน ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้ท่านจึงใช้สรรพนามนะคะว่าหลวงพ่อดําหรือว่าหลวงพ่อในดงค่ะหลวงพ่อจรันนะคะเล่าว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่กับหลวงพ่อดําเป็นห้วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างอุกฤษในแต่ละวันแต่ละคืนไม่เคยเสนใจยดีกับสรรพสิ่งใดๆเพียงเพื่อศึกษาเรียนรู้ทำวิเศษอันลึกซึ้งประการเดียว การศึกษาธรรมของหลวงพ่อจรันค่ะท่านไม่ได้ปักปักหลักเรียนในวัดหรือว่าสำนักวัดป่าใดๆหลังได้กราบนำ้ำมาสการหลวงพ่อดําในป่าลึกแล้วหลวงพ่อดําได้พาหลวงพ่อจรันเที่ยวทุดงกรรมาฐานไปตามป่าตามขาวลำน้ำไพรเรื่อยๆที่ใดเห็นว่ามีความเหมาะสมด้วยบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมท่านก็จะหยุดพักบําเพ็ญเพียรในแต่ละแห่งนานพอสมควรจากนั้นก็จะจาริกต่อไป บนเส้นทางทุดงของหลวงพ่อจรันโดยมีหลวงพ่อดําเป็นผู้นำทางนั้นภูมิทัศน์ที่ผ่านมาจะเป็นสันขาวแล้วก็บนยอดดอยสูงนานๆจะพบหมู่บ้านเล็กๆสแข่งของชาวป่าชาวเขาพวกเขาดำรงชีวิตอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายและสมถะนะคะพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักสังคมและอารยธรรมสมัยใหม่แม้แต่น้อย ชาวป่าชาวเขาค่ะเขาดำรงชีวิตอยู่บนเขาสูงห่างไกลความเจริญเหมือนอาศัยอยู่ในอีกโลกหนึ่งของพวกเขาโดยเฉพาะมีกฎระเบียบบังคับใช้กับพวกกันเองในสังคมแคบๆกฎเกณฑ์การปกครองจึงไม่สลับซับซ้อนตลอดจนการกินกันอยู่และก็การหลับนอนก็ไม่วุ่นวายด้วยการปรุงแต่งรูราฟุ่มเฟยเรียกว่าอยู่กันตามธรรมชาตินะคะ ถ้าหากเรามองสังคมของพวกเขาอย่างผิวเผินจะเห็นว่าชีวิตของชาวป่านั้นมีความสงบสุขอย่างน่าอิจฉาทีเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ง่ายกินง่ายอยู่กันแบบสบายๆไม่แข่งขันแย่งชิงอย่างชาวเมืองที่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนในแต่ละวันในการดำรงชีวิตตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับในความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ ชาวเมืองหรือว่าชาวป่าชาวดอยค่ะต่างก็ดิ้นรนสแสวงหาในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีตัวกิเลสครอบงำทั้งกายแล้วก็จิตใจอยู่ย่อมมีรากเหง้าของความโลภความโกรธความหลงด้วยกันทั้งสิน้นยิ่งไม่มีไตรสรณนะคือที่พึ่งสามประการได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนะคะไม่มี พระสงฆ์ผู้รู้เป็นผู้คอยแนะนําคําสั่งสอนให้ตระหนักถึงความดีความชั่วก็ยิ่งปล่อยให้จิตใจของตนเองเนี่ถูกกิเลสครอบงาําคือความอยากทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวผลักดันให้เป็นไปตามที่มันต้องการค่ะอันที่จริงชาวป่าชาวดอยนั้นไม่มีความโลภอะไรรุนแรงนักคงเป็นเพราะว่าสังคมเล็กเพียงไม่กี่ครอบครัวแต่ว่าความโกรธความหลงสองประการนี้เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะคะ การจาฤทธุดงกรรมฐานของหลวงพ่อจรานโดยมีหลวงพ่อดําเป็นอาจารย์ของท่านเป็นผู้นําทางท่านบอกว่าไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองอยู่ในเขตจังหวัดใดรู้แต่ว่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านการถือศีลบําเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าทุกหนทุกแห่งมีความเงียบสงัดไม่ว่ามองไปทิศทางใดก็มีแต่ความเขียวชอุ่มของป่าแล้วก็สัตว์ป่าที่มีมากมายให้เห็นอยู่เป็นประจำ ขณะจริฤทธุดงและก็ปักกลดเจริญภาวนาสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยก็จะเข้ามาหามาผูกมิดกับพระสัตว์ป่าบางชนิดนะคะมันก็คงอยากจะรู้อยากจะเห็นก็พาพักพวกของมันมาเดินเรียบๆเคียงๆอยู่ห่างๆมันคงเห็นเป็นของแปลกเนื่องจากสัตว์ป่าบางชนิดไม่เคยเห็นพระสงฆ์ไม่เคยเห็นคนเมื่อเข้าไปในถิ่นของพวกมันมันก็คงอยากจะศึกษาเพื่อนใหม่ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ร่วมสังคมกับพวกมันเหมือนกันค่ะ ครั้งหนึ่งขณะที่หลวงพ่อจรันนะคะกําลังนั่งบําเพ็ญสรณธรรมอยู่กับหลวงพ่อดําพระอาจารย์ของท่านในป่าลึกแต่ว่าอยู่ไม่ไม่ไกลกับหมู่บ้านเท่าไหร่นักนะคะก็ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาห า, าในป่าลึกชาวบ้านแต่ละคนนี่แสดงสีหน้าไม่ค่อยสบายนะคือหมายความว่ากําลังเป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัดค่ะชาวบ้านกลุ่มนี้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาลาวแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษา หลวงพ่อจรันท่านก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าพระอาจารย์ของท่านฟังรู้และพูดภาษาของพวกเขาได้อย่างคล่องแคล่วพวกชาวบ้านคุยอยู่ภักหนึ่งแล้วท่านก็มองมายังหลวงพ่อจรันพร้อมกับบอกให้เก็บอัฐบริขารติดตามท่านไปจะไปไหนหลวงพ่อดำท่านยังไม่ได้บอกให้รู้นะคะ ก็เลยทำนองว่าท่านอาจารย์ชวนไปไหนก็ไปด้วยมีแต่ความรู้สึกว่าเหมือนกำลังเดินทางไปช่วยชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเรื่องผีเข้าเรื่องเจ้าเข้าหรือไม่ก็เรื่องของความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆที่แก้ไม่หายล้วนเป็นความคิดสารพัขดขณะเดินตามพระอาจารย์ใหญ่ไปนะคะแต่ว่าการเดินทางมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านเล็กๆที่อาศัยบินทบาทซึ่งอยู่บนสันเขา กระทั่งเดินทางมาถึงที่เชิงเขาแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นที่เปลี่ยวร้างพอเดินทางไปถึงสถานที่ดังกล่าวพระอาจารย์ดำหรือว่าหลวงพ่อดำก็ได้บอกให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวเนี่ยกลับไปยังหมู่บ้านหาเครื่องมืออย่างเช่นพวกจอบพวกเสียมมีดพระเพื่อใช้งานหลวงพ่อดาคงเห็นว่าหลวงพ่อจารันสงสยัยว่ากาลังจะทาอะไรกันท่านก็เลยบอกกับหลวงพ่อจรันให้เข้าใจ ชาวบ้านป่าเหล่านี้เนี่ยพวกเขาถูกผีดิบมาทำร้ายมารังควานคนในหมู่บ้านจนถึงแก่ชีวิตมาหลายคนแล้วพวกเขาได้มาขอให้เข้าไปช่วยซึ่งเราพอจะสงเคราะห์ได้ก็เลยรับปากว่าจะช่วยนั่นเองค่ะ ตามปกติแล้วนะคะหลวงพ่อดำจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยอะไรกับหลวงพ่อจรัญมากนักหากจะคุยก็คุยแต่เรื่องที่เป็นสาระเท่านั้นเรื่องไม่จําเป็นหรือว่าไม่มีสาระก็จะไม่หลุดออกมาจากปากของท่านซึ่งการพูดคุยกันในแต่ละวันนับคําได้ค่ะเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการบำเพ็ญภาวนา เมื่อพวกชาวบ้านป่านะคะมาถึงค่ะก็มีจอบมีเสียมมีมีดพราติดไม้ติดมือมาตามคำที่หลวงพ่อดำแนะนำนะคะหลวงพ่อดำก็เดินนำหน้าทุกคนเข้าไปยังป่าเชิงเขาท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชี้มือไปที่คนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีกอหญ้าขึ้นรกรุงรังท่านสั่งให้ขุดลงไปโดยไม่ต้องหยุดค่ะแล้วจะได้พบกับสิ่งที่ระทึกขวัญอย่างที่ใครๆก็คิดไม่ถึงนั่นก็คือร่างของผีดิบ พวกชาวบ้านที่เป็นชายชะกัรช่วยกันขุดอย่างขยันขันแข็งค่ะโกยดินขึ้นมากองเรื่อยๆทําเอาเหงื่อเปียกไปทั่วตัวจิตใจของชาวป่าแต่ละคนนี่ต่างหวั่นไหวขณะขุดนะคะกลัวจะเจอกับอะไรที่ไม่อยากจะเจอเกิดขุดลงไปเจอผีดิบมันลืมตาปริบๆอยู่จะทําประการใดกลัวแต่ก็ต้องทําตามคำสั่งเพื่อความสงบสุขของคนในหมู่บ้าน แต่ทุกคนไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าย่อท้อแต่ประการใดเพราะเชื่อนะคะว่าพระผู้เจริญด้วยบารมีธรรมนั้นท่านย่อมรู้ย่อมเห็นในสิ่งที่ชาวบ้านไม่เห็นเสมอทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการขุดอย่างเต็มที่จนกระทั่งเป็นหลุมลึกแล้วทุกคนก็งงต่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าค่ะนั่นก็คือเฟือกสาหรับหอบ่อศพ ที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ต้นขนาดใหญ่นะคะอเอามาสับแล้วก็แผ่ออกเป็นแผ่นแล้วก็ใช้หวายร้อยแต่ละเส้นเข้าหากันอย่างแน่นหนาแล้วก็ใช้หอ่อศพแบบนี้เขาเรียกว่าเฟือกหอ่อศพนั่นเองค่ะ หลวงพ่อจรัญที่ยืนดูอยู่ด้วยท่านเห็นเต็มตาเลยนะคะสันนิษฐานว่าศพนี้คงถูกนำมาฝังไว้นานหลายปีเพราะว่าเฝือกไม้ไผ่เนี่ยมันเริ่มผุแล้วนั่นเองแม้กระทั่งเส้นหวายที่มัดโอบห่อเฝือกก็เปื่อยขาดออกจากกาันหลายเส้นชาวบ้านได้ใช้มีดฟันวหวายห่อเฝือกที่เหลือออกทั้งหมดเฟือกที่หอ่อศพ ก็แบกออกจากกันปรากฏสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าขณะนั้นเนี่ยทำเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการ์ตกตะลึงเพราะว่าแรกๆคิดกันว่าจะต้องได้เจอซากศพในลักษณะกระดูกขาวโพลง่งไม่เหลือเนื้อมาเนื้อหนังมังสาให้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าทุกสิ่งมันตรงกันข้าม สภาพศพมีครบทุกอย่างเนื้อหนังมังสาสมบูรณ์หาได้เน่าเฟะหรือเหี่ยวแห้งประการใดและเป็นศพของหญิงสาวชาวบ้านป่าตัวไม่ใหญ่นักอายุคงอยู่ประมาณสัก20กว่าปีค่ะมองดูผิวเผินเหมือนคนกำลังนอนหลับสนิทไม่เหมือนคนที่ตายแล้วมานานแสนนานเสื้อผ้าที่สวมใส่มากับศพเปื่อยยุ่ยหมดทั้งตัว เผยให้เห็นความสมบูรณ์ของร่างกายในทุกส่วนและเส้นผมเล็บมือเล็บเท้างอกออกมายาวเหยียดซึ่งแสดงว่าหลังจากเสียชีวิตลงแล้วผมและเล็บก็ยังคงงอกออกมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดยั้งความเจริญไปตามธรรมชาติแต่ประการใดหลวงพ่อจรัญเองก็ตะลึงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นผีดิบตัวจริงเช่นนี้มาเลยในชีวิตแต่ว่าท่านมีเพียงความรู้สึกในใจเท่านั้นค่ะก็ไม่ได้พูดออกไปใดๆทั้งสิน้น พระอาจารย์ดำหรือว่าหลวงพ่อดำค่ะก็สั่งให้ชาวบ้านช่วยกันยกศพนั้นขึ้นมาแล้วหาฟืนมากองสุมมากพอที่จะเผาศพให้หมอดไหมเหลือแต่เท่ากระดูกจากนั้นก็จุดไฟเผาทําลายสังขารที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยจิตวิญ ญ, ญาณอาฆาตแค้นมาเป็นเวลานา น, านให้หมอดไหมไปเป็นการยุติบาปเวรที่ร่างกายนี้จะไปกาะขึ้นอีกและย่งเมนอาได้ช่วยปลดปล่อยวิญ ญ, ญาณดวงนี้ไปสู่ภพภูมิตามกรรมแห่งตนด้วยนะคะ เรื่องราวของผีดิบตนนี้ค่ะต่อมาภายหลังหลวงพ่อจรันก็ได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะว่าผีดิบที่ออกมาอนาวาดที่หาสูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านตายไปหลายคนจนสร้างความหวั่นไหวปั่นป่วนให้กับชาวบ้านแทบไม่เป็นอันทำรร ม, มาหากินเพราะไม่รู้นะคะว่าวันใดมันจะมาสูบเลือดของตนเองชาวบ้านป่าบนเทือกเขาบนดอยสูงเหล่านี้เป็นพูดหรืออามนุษย์เช่นนี้ส่วนมากจะเป็นเพศหญิงค่ะเธอเหล่านี้ถูกไฟโทสะเผาลนในทุกขณะจิต มีความอาฆาตแค้นรุนแรงเมื่อตายไปแล้วจิตที่หลอมรวมหลอมรวมด้วยกับโทสะอันร้ายแรงตัวนี้ก็จะหล่อเลี้ยงสังขารไม่ให้เน่าเปื่อยแล้วก็มีความกระหายเลือดปรารถนาจะทำลายล้างชีวิตผู้อื่นเพียงอย่างเดียวนะคะ การที่ผีดิบมักจะมาปรากฏตัวเป็นเรื่องราวอนาหวาดหวั่นพรั่นพรึงขนลุกขนพองสยองขวัญเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นส่วนมากจะเกิดขึ้นในถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านป่าตามเทือกเขาสูงทางภาคเหนือเนื่องจากว่าพวกชาวป่าเหล่านี้ไม่นิยมการเผาศพแต่ว่าจะนิยมการฝังศพไว้ในสถานที่เปลี่ยวห่างไกลาจากหมู่บ้านที่อยู่ที่อาศัยพอสมควรค่ะประการต่อมาคือคติความเชื่อของชาวบ้านป่าที่อยู่ห่างไกลความเจริญ พวกเขาเชื่อนะคะว่าเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นสราระจิตของพวกเขาเป็นโมหะถือมั่นยึดมั่นสิ่งใดแล้วก็จะแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่มีอ่าเหตุผลหรือว่าการไตรตรองนะคะที่สำคัญค่ะพวกผู้หญิงในเผ่าพันธุ์จะมีอารมณ์รุนแรงเมื่อใดที่เกิดความเครียดแค้นพยาบาทแรงกล้าชนิดไม่ยอมเลิกรานะคะแม้กาลังจะสิ้นใจจิจต ก็ยังฝังแน่นด้วยความอาฆาตครอบงำรุนแรงนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดสภาวะคงสภาพเป็นผีดิบเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในขบวนการผีด้วยกันค่ะ